เรื่องเล่าจากพ่อตอนที่สามผีบังตา ส, สัมผัสสยองหลังจากที่พ่อของนิดได้เล่าเรื่องสยองไปสองเรื่องแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พ่อจะได้เล่าเรื่องให้ลูกๆฟัง พ ร, พรุ่งนี้พ่อต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดกับพเพื่อนๆแล้วถ้าใครยังไม่ได้ฟังสองเรื่องก่อนหน้านี้ก็กดลิงก์ที่คอมเมนต์เพื่อย้อนกลับไปฟังตอนที่หนึ่งและสองได้วันนี้ครบครอบสามปีพอดีที่น้องแก่นหายตัวไปตลอดเวลาสามปีที่ผ่านมาพ่อและแม่ของนิดเฝ้าติดตามความคืบหน้าจากตารวจอยู่เป็นประจา แต่ก็ไร้วีแววของลูกชายตัวน้อยช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจยากที่จะลืมได้พ่อกับแม่ของนิดเริ่มสิ้นหวังและคิดว่าน้องแก่นอาจจะจากโลกนี้ไปแล้วจึงปรึกษากันว่าจะทำบุญให้ลูกชายในวันครบรอบนี้ซึ่งที่ผ่านมาพ่อกับแม่ไม่มีความคิดจะทำบุญเลยเพราะหวังอยู่ในใจลึกๆว่า สักวันจะได้เจอน้องแก่นลูกชายสุทีิรักเวลาประมาณหกโมงเชา้าแม่ปลุกนิดให้ลุกขึ้นมาช่วยทำอาหารส่วนพ่อตื่นก่อนหน้านี้แล้วพ่อท่านทําธุระเสร็จก็เดินลงไปที่คูน้ำไกลๆบ้านเพื่อดูกับดักปลาที่ดักทิ้งไว้สักพักพ่อก็เดินกลับมาพร้อมกับปาลาไหลห้าตัวขนาดตัวเคือง แม่จัดแจงตาน้าพริกแกงนิดช่วยหั่นใบมะกรูดเป็นฝอยฝอยพ่อลงมือค่าปลาไหลเสร็จแล้วก็ใช้คี่ารูดตัวปลาเพื่อเอาเมือกลื่นๆออกแล้วหั่นเป็นชิ้นพอดีคำแม่เริ่มลงมือผัดพริกแกงใส่เนื้อปลาไหลแล้วเติมน้ำลงเล็กน้อยพอคลุกคลิกใส่เครื่องปรุงรสพอใกล้สุกก็ใส่ใบมะกรูด และที่ขาดไม่ได้คือกระชายหั่นฝอยผัดเผ็ดปาลาไหลทรงกลิ่นหอมฉุยน่ารับประทานจากนั้นแม่ก็ตักใส่ถุงพลาสติกทำเป็นถุงๆพร้อมทั้งข้าวเปล่าและผลไม้คือกล้วยน้ำวา้าเตรียมนำไปใส่บาทพระพ่อแม่นิดและน้องปลาพากันเดินไปที่วัดไกลบ้าน ระยะห่างจากบ้านประมาณ100เมตรทุกคนสวมเสื้อผ้าที่ดูเก่าแต่ก็สะอาดสะอา้านพ่อสวมเสื้อเชิ้ตลายทางกางเกงสีดำทรงธรรมดามีผ้าขาวมาคาดเอวแม่สวมผ้าลูกไม้คอกล้วยหอมสีครีมกับผ้าถุงสีน้ำตาลสลับเหลืองและแดงนิดสวมกระโปรงนักเรียนสีน้ำเงินกับเสื้อแขนสั้นสีฟ้าอ่อน น้องปลาสวมชุดสีแดงตัวโปรดพวกเราทั้งหมดเดินผ่านบ้านหลายหลังคนในหมู่บ้านบางคนก็ร้องทักว่าไปทำบุญที่วัดเหรอพ่อก็พยักหน้าและบอกว่าจะไปทำบุญให้น้องแก่นเพราะวันนี้ครบครอบสามปีที่น้องแก่นหายตัวไปชาวบ้านก็ไม่ถามอะไรมากคงเข้าใจดีว่าหัวอกผู้เป็นพ่อและแม่ ย่อมคิดถึงลูกที่หายไปพ่อเดินนำทางผ่านกำแพงวัดเก่าๆและเข้าประตูของวัดที่เปิดไว้ตลอด24ชั่วโมงเมื่อเดินเข้าไปก็มองเห็นโบสถ์หลังเล็กๆข้างโบสถ์มีวิหารหลังใหญ่ทิศตะวันตกของวิหารเป็นเจดีย์ทรงลรักังที่เก่าแก่และค่อนข้างสุดโทมเนื้อปูนกระท่อเป็นบางแห่ง จนเห็นอิดที่อยู่ด้านในมองไปทางด้านซ้ายมีหอระฆังซึ่งนิดจะได้ยินเสียงพระตีระฆังตอนประมาณตีห้าทุกวันด้านหลังหอระฆังมีพุ่มไม้ดูร่มรื่นซึ่งเป็นที่ตั้งของกุฏิเจ้าวาวาและกุฏิพระลูกวัดอีกสี่ห้าหลังพอเข้าไปในบริเวณวัดพ่อก็พาแม่นิดและน้องปลา ขึ้นไปกราบพระประธานที่บนวิหารเสร็จแล้วก็เดินลงมาเห็นเจ้าวาดและพระลูกวัดกําลังเดินกลับมาจากบินทบาทตามหมู่บ้านพอดีจริงๆแล้วพ่อกับแม่จะใส่บาตรที่หน้าบ้านเหมือนทุกครั้งก็ได้แต่วันนี้เป็นวันพิเศษพ่ออยากมากราบพระประธานในวิหารและอยากให้พระอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้น้องแก่นพ่อ จึงนิมนต์พระทุกกูุมารับบินทบาตบริเวณไกลๆกับบันไดวิหารเมื่อแจ้งจุดประสงค์การทำบุญให้เจ้าอาวาสทราบแล้วนิดและครอบครัวจึงช่วยกันหยิบอาหารขาวหวานพร้อมทั้งดอกไม้นำมาถวายพระหลังจากเจ้าอาวาสและพระลูกวัดสวดอุทิศส่วนกุศลให้น้องแก่นเสร็จแล้วพ่อจึงกรวดน้า เป็นนันเสร็จพิธีการทำบุญให้น้องแก่นขณะที่นิดเดินทางกลับบ้านพ่อก็บอกว่ารู้สึกสบายใจขึ้นมาน้องแก่นจะเป็นหรือตายไปแล้วก็ขอให้บุญกุศลที่ทำมาในวันนี้ปกปักรักษาลูกให้พ้นจากเวรกรรมเสียทีตกเย็นหลังจากรับประทานอาหารเสร็จพ่อไม่ได้เล่าเรื่องก่อนนอนเหมือนทุกครั้ง นิดก็เข้าใจดีวันนี้ทุกคนดูเงียบไม่ค่อยพูดจาคงจะอยู่ในภาวะคิดถึงน้องแก่นพ่อบอกเด็กๆให้เข้านอนแต่หัวคำ่ำนิดนอนลงบนเตียงฟังเสียงต้นไผ่ที่ขึ้นอยู่ข้างบ้านโบกสะบัดลําต้นเสียดสีกันดังเอียดอาดคืนนี้มีลมหัดกระโชกแรงตอนหัวคำ่ำ นิดเห็นเมฆฝนดำลอยอยู่บนท้องฟ้าคาดทางฝนอาจจะตกนิดนอนฟังเสียงใบไม้ที่โดนลมพัดจนเคลิ้มหลับไปแล้วก็ต้องสะดุ้งตกใจตื่นเพราะได้ยินเสียงเด็กผู้ชายเรียกพี่พี่ฉันกลับมาแล้วนิดหันไปมองที่ปลายเตียงก็เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่เมื่อเพ่งมองอีกที จึงเห็นว่าเป็นน้องแก่นนิดแปลกใจมากรีบถามไปว่าเอา้าน้องแก่นมาได้ยังไงหายไปไหนมาพ่อกับแม่ตามหาตัวตั้งนานนิดเห็นน้องแล้วดีใจมากรีบลุกขึ้นนั่งตรงกลางเตียงน้องแก่นก็เดินเข้ามานั่งตรงขอบเตียงหันหน้ามาทางนิดแล้วพูดว่าขอบคุณพ่อแม่และทุกๆคน ที่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลในวันนี้ให้แก่นนะบุญกุศลที่ได้รับทำให้แก่นออกมาหาพี่นิดได้นิดมองหน้าแก่นแล้วก็สงสัยในใจว่าทำไมน้องถึงพูดอย่างนี้แต่ยังไม่ทันได้ถามอะไรน้องแก่นบอกว่าเขาไม่ได้หายไปไหนอยู่เทวแถบ้านนี่แหละนิดถามต่อแล้วทำไมไม่กลับบ้านละ่ะน้องแก่นเล่าว่า วันนั้นหลังจากเลิกโรงเรียนแล้วแกนเดินผ่านบ้านของเพื่อนที่กำลังเล่นซ่อนแอบกันอยู่จึงไปขอเล่นด้วยพอเล่นกันอยู่สักพักก็ถึงเวลาที่นบจะได้เป็นคนหาต่อตอนที่นบนับเลขหนึ่งถึงรทุกคนก็วิ่งไปแอบตามที่ต่างๆแกนก็วิ่งไปแอบที่ต้นมะขามริมรัว้วท้ายสวนต้นมะขามต้นนี้ใหญ่มากแผ่กิ่งก้านเต็มไปหมด น่าจะใช้เป็นที่ซ่อนได้ดีแก่นได้ยินนบเรียกชื่อเพื่อนๆที่นบหาเจอแล้วสามคนเวลาผ่านไปค่อนข้างนานนบก็ยังตามหาเพื่อนอีกสองคนไม่เจอตอนที่แก่นแอบอยู่ก็รู้สึกปวดหนักอยากเข้าห้องน้ำแต่ไม่กล้าเดินออกไปที่จริงแล้วห้องน้ำก็อยู่ใกล้ๆรัว้วแต่แก่นกลัวโดนจับได้ก็เลยถอดกางเกง แล้วปล่อยลงตรงโคนต้นมะขามแต่ในขณะที่แก่นยังไม่ทันได้ใส่กางเกงก็ได้ยินเสียงนบเรียกชื่ออัมเพื่อนที่นบเจอคนที่สี่แสดงว่าแกนเป็นคนสุดท้ายที่นบต้องตามหาให้เจอแก่นรีบสวมกางเกงแล้วคอยซุ่มดูว่านบจะเดินมาหาทางนี้หรือเปล่าตอนนั้นก็จะมืดแล้วแก่นได้ยินเสียงเดินเข้ามาใกลเรื่อย นบเดินตรงมาต้นมะขามที่แก่นแอบอยู่แก่นพยายามบิดตัวให้ชิดกับต้นมะขามที่สุดแล้วค่อยๆก้าวเท้าเบาๆไม่ให้มีเสียงดังนบเดินไปรอบๆต้นมะขามแก่นก็เดินวนไปไม่ให้นบเห็นเมื่อหาไม่เจอนบก็เดินออกไปหาที่อื่นแก่นดีใจภูมิใจคิดว่าตัวเองหลบเก่ง ไม่นานนักพอพระอาทิตย์ใกล้ตกแกนก็ได้ยินเสียงนบตะโกนขึ้นว่าแกนอยู่ไหนเลิกเล่นซ่อนแอบได้แล้วพวกเราจะกลับบ้านกันแล้วนะแล้วก็ได้ยินเพื่อนๆอีกสามสี่คนตะโกนหาแกนเหมือนกันพอแกนจะก้าวเท้าออกมาจากที่ซ่อนแต่ก็ปรากฏว่าขาของแกนมันขยับไม่ได้เลยเหมือนเท้าติดอยู่ตรงนั้น พยายามยกขาเท่าไหร่ก็ทําไม่ได้เพื่อนๆนของแก่นกลับไปหมดแล้วตอนนั้นแก่นเริ่มรู้สึกกลัวอากาศเริ่มเย็นและมืดลงเรื่อยๆแก่นพยายามตะโกนร้องเรียกให้คนช่วยแต่ก็ไม่มีใครได้ยินแก่นยืนอยู่ใต้โคนต้นมะขามและร้องตะโกนโวยวายอยู่อย่างนั้นนานมากเวลาผ่านไป จนแกนได้เห็นพ่อกับแม่และชาวบ้านอีกเกือบสิบคนเดินถือไฟฉายท่องหาและตะโกนเรียกแกนพอพ่อกับแม่เข้ามาไกลแกนดีใจมากจึงรีบร้องเรียกให้พ่อแม่เข้ามาช่วยแต่ก็ไม่มีใครได้ยินหรือมองเห็นแกนเลยเพราะแกนเล่าจบนิดก็ถามต่อว่าแล้วสามปีที่ผ่านมาแกนอยู่ที่ต้นคนมะขามตลอดเลยเหรอ แกนบอกว่าใช่แกนหูกดวงวิญญาณที่อยู่ที่นั่นบังตาทุกคนไว้แกนออกไปไหนไม่ได้แต่ในช่วงนี้ไปไหนมาไหนได้บ้างแกนเคยกลับมาที่บ้านของเราด้วยเห็นพ่อกําลังเล่าเรื่องให้พินิดและน้องปลาฟังแต่แกนให้เห็นตัวหรือพูดไม่ได้เพราะพลังของแกนมีน้อยมากได้แต่รูปหลังน้องและนอนหนุนพินิด นิดได้ฟังก็นึกถึงวันที่พ่อเล่าเรื่องแล้วน้องปลาบอกว่าแม่มาแต่หลังแต่แม่กลับทำหน้างงกับวันที่นิดรู้สึกว่ามีคนมานอนหนุนอยู่ที่ท้องตอนแรกนึกว่าเป็นน้องปลาแต่พอลืมตาขึ้นมากลับเห็นน้องปลานอนหลับที่ตักของแม่นั่นคงเป็นแกนที่กลับมาบ้านนั่นเองแกนพูดต่อว่า วันนี้แกนมาบอกและคุยกับพี่นิดได้เพราะได้รับส่วนบุญกุศลที่ทุกคนทำบุญให้แกนรอคอยวันนี้มานนานมากอยากขอให้พี่นิดไปบอกพ่อกับแม่ให้เปขอขมาเจ้าที่ที่อยู่ตรงต้นมะขามให้กับแกนด้วยเพราะแกนได้ไปลบหลู่ตอนเล่นซ่อนหาโดยไม่รู้ตัวให้เอาทูปหนึ่งดอกและไก่ต้มสองตัวไปขอขมาเจ้าที่ แล้วเจ้าที่ก็จะยกโทษให้แกนพอพูดเสร็จแกนก็ลุกขึ้นนิดจึงถามว่าจะไปไหนแกนบอกว่าต้องกลับแล้วนิดมองตามแกนที่กำลังเดินออกจากห้องไปแล้วนิดก็ตกใจตื่นเมื่อมองไป ร, บรอบๆห้องก็เห็นแค่น้องปลานอนหลับอยู่นิดรู้สึกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มันเหมือนกับเรื่องจริงมากพอรุ่งเชา้านิด จ, จึงเล่าเรื่องนี้ให้กับพ่อและแม่ฟังพอพ่อได้ฟังก็หน้าเศรา้าดวงตามีน้ำตาคลอส่วนแม่ก็ร้องไห้โฮออกมาปากพึมพำว่าโทแกนไม่น่าเลยทุกคนมองข้ามเรื่องนี้มวดได้คิดว่าแกนถูกลักพาตัวไปก็เลยไม่ได้ทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้ ดวงวิญญาณของแกนน่าจะได้ไปผุดไปเกิดตั้งนานแล้วเพราะตอนสายพ่อก็ได้ไปบอกผู้ใหญ่บ้านว่าจะขอทำพิธีขอขมาที่ต้นมะขามใหญ่ชาวบ้านอีกหลายคนที่ทราบเรื่องก็พากันมาดูครอบครัวของนิดพ่อจุดธูปหนึ่งดอกและวางไก่ต้มสองตัวไว้ที่โคนต้นมะขามกล่าวขอขมาเจ้าที ที่ลูกชายได้ล่วงเกินลบหลูโดยไม่ได้ตั้งใจขอให้เจ้าทียกโทษให้และปล่อยดวงวิญญาณของแก่นเป็นอิสระพอพูดจบหอก็ยกมือขึ้นพนมอยู่เหนือศีรษะแล้วก็ปักธูปไว้ที่โคนต้นมะขามพร้อมกับถวายไก่ต้มสองตัวเล่าเรื่องเหลือเชื่อก็เกิดขึ้นหลังจากเสร็จพิธีลุงผู้ใหญ่บ้านก็เดินสำรวจรอบต้นมะขาม ทันใดนั้นเองก็เห็นงูเหลื่มใหญ่นอนขดอยู่ภายในขดของงูยักษ์มีกองกระดูกกองใหญ่ทุกคนแปลกใจมากเพราะหลายคนที่เดินผ่านต้นมะขามต้นนี้ก็ไม่เคยเห็นว่ามีงูอยู่เลยหลังจากนั้นงูใหญ่ก็ขยับตัวเลื้อยหายเข้าไปในโพรงไม้ของต้นมะขามพ่อของนิด สุดเข่าลงไปนั่งข้างกองกระดูกเหล่านั้นด้วยน้ําตานองหน้าปา ก, ก็พูดพึพมพาว่าสงสารลูกในขณะที่พอ่อค่อยๆเก็บกระดูกเพื่อจะไปบาเพ็ญกุศลผู้ใหญ่บ้านก็เข้ามาไกลพอ่อแล้วบอกว่าขอเอากระดูกไปให้ตํารวจตรวจสอบดูก่อนถ้าเป็นน้องแก่นจริงทางหมู่บ้านจะช่วยเตรียมบาเพ็ญกุศลให้พ่อ ตกลงตามที่ผู้ใหญ่บ้านบอกจากนั้นพ่อแม่นิดและน้องปลาก็พากันกลับบ้านวันรุ่งขึ้นก็มีรถยนต์สีขาวขับมาจอดที่หน้าบ้านของนิดเมื่อประตูรถเปิดก็มีชายวัยกลางคนลงจากรถแนะนําตัวเองว่าเป็นหมอประจำโรงพยาบาลในกรุงเทพตามหาครอบครัวของน้องแก่นมานานแล้ว พ่อกับแม่ถึงกับตะลึงเมื่อได้ยินที่หมอพูดสักพักผู้ใหญ่บ้านก็เดินเข้ามาหาพ่อแล้วบอกว่าตำรวจติดต่อมาแล้วว่ากระดูกที่เจอไม่ใช่กระดูกคนมีชิ้นส่วนคล้ายกระโหลกที่แตกแล้วสองชิ้นพ่อมาประกบกันก็ทำให้มองเห็นว่าอาจจะเป็นกระโหลกของลูกบวพ่อกับแม่รู้สึกโล่งใจอย่างเห็นได้ชัด แล้วหมอก็บอกกับพ่อว่าที่มาวันนี้เพื่อจะมาพาพ่อไปรับตัวน้องแกนที่โรงพยาบาลซึ่งหมอได้ติดต่อผู้ใหญ่บ้านแล้วว่าจะมารับพ่อด้วยตัวเองพ่อไม่รอให้เสียเวลาหันมาบอกให้แม่ดูแลลูกๆแล้วรีบขึ้นรถไปกับหมอทันทีนิดไม่รู้ว่าคราวนี้น้องแกนจะได้กลับบ้านจริงๆ หรือจะเป็นการเข้าใจผิดเหมือนครั้งก่อนเธอได้แต่เฝ้าร อ, อกับแม่และน้องปลาอยู่ที่บ้านอย่างใจจดใจจอ่อตื่นเต้นจนนอนไม่หลับวันรุ่งขึ้นรถยนต์สีขาวคันเดิมก็มาจอดที่หน้าบ้านพ่อเปิดประตูรถลงมาพร้อมเด็กผู้ชายที่ครอบครัวของนิดรอคอยมาตลอดสามปีแม่โผลเข้ากอดน้องแก่น ดีใจจนร้องไห้นิดและน้องปลาก็วิ่งเข้าไปกอดด้วยพอ่อโอบรอบลูกๆด้วยความตื้นตันสุดชีวิตหลังจากที่ขอบคุณหมอแล้วท่านก็ขึ้นรถขับออกไปทุกคนจึงได้กลับเข้าไปในบ้านนิดรีบถามน้องแก่นว่าแก่นมาเข้าฝันพี่บอกว่าอยู่ที่ต้นมะขามแล้วแก่นไปอยู่กรุงเทพได้ยังไง แต่น้องแกนยังไม่ได้ตอบอะไรพ่อก็พูดว่าระหว่างทางที่นั่งรถเข้ากรุงเทพหมอเล่าให้ฟังว่าสามปีก่อนมีชายคนหนึ่งอุ้มเด็กผู้ชายอายุ ป, ประมาณห7เจขวบมาหาหมอแล้วบอกว่าขณะที่เขากำลังทำความสะอาดรถตู้ก็พบเด็กคนนี้นอนอยู่ใต้เบาะด้านหลังสุดของรถเมื่อพยายามปลุกเด็กก็ไม่ตื่น จึงรีบพามาโรงพยาบาลเมื่อหมอตรวจดูแล้วก็ไม่พบร่องรอยบาดเจ็บอะไรจึงให้นอนในโรงพยาบาลเพื่อตรวจอย่างละเอียดอีกทีพอถามชื่อร า, ายละเอียดของเด็กคนขับรถตู้ก็ตอบไม่ได้เพราะรถตู้คันนั้นให้เพื่อนอีกคนขับไปรับจ้างส่งลูก ค, ค้าที่ต่างจังหวัดแล้วเพื่อนก็นำมาจอดคืนไว้เหมือนเดิม หมอจึงบอกว่าอย่างนั้นคงต้องแจ้งความไว้แล้วขอชื่อและที่อยู่ของคนขับรถตู้ด้วยไม่รู้ว่าคนขับรถตู้กลัวจะมีความผิดหรือเปล่าจึงให้ชื่อและที่อยู่ปลอมแล้วกลับไปพอหมอติดต่อไปตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ก็ติดต่อไม่ได้จึงมืดแปดด้านไม่รู้จะตามหาผู้ปกครองของเด็กได้ยังไง หมอเลยต้องไปแจ้งความไวเพราะเด็กรู้สึกตัวก็ไม่พูดไม่จาอะไรท่าทางเหมือนความจําเสื่อมหมอเห็นว่าอาการนี้ตรงกับที่กำลังทํางานวิจัยพอดีจึงรับเด็กมาดูแลและให้เข้าโครงการของโรงพยาบาลรอจนกว่าจะหาญาติเจอและตั้งชื่อให้เด็กว่าน้องอามระหว่างนั้นหมอพยายามหาทางรักษา ก็ไม่คืบหน้าเลยทางตำรวจก็ตามหายาดลำบากเพราะเบาะแสนน้อยมากเวลาผ่านไปสามปีอยู่ๆเมื่อสองวันที่แล้วน้องอามก็พูดชื่อวัดขึ้นมาหมอจึงบอกข้อมูลให้ตำรวจจนสืบได้ความว่าหมู่บ้านทางภาคอีสานมีวัดชื่อเดียวกันกับที่น้องอามพูดถึงและมีเด็กที่หน้าตาตรงกันกันกบน้องอาม ถูกแจ้งความหายไปด้วยสุดท้ายหมอก็ขอไปรับพ่อของเด็กด้วยตัวเองหมออยากเห็นน้องอามซึ่งก็คือน้องแกนได้เจอหน้าพ่อเป็นครั้งแรกในรอบสามปีพ่อเล่ามาถึงตรงนี้ก็กอดน้องแกนอีกครั้งสักพักเมื่อคลายอ้อมแขนออกแล้วก็พูดต่อว่าน้องแกนยังไม่เคยพูดแต่เข้าใจสิ่งที่พวกเราสื่อสารกันอยู่ ต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าน้องจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนิดเริ่มปฏิติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดก็คิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญอย่างเหลือเชื่ออาจเป็นเพราะจิตของแกนแยกออกจากร่างตั้งแต่ตอนที่ไปลบหลู่เจ้าทีจากนั้นจิตก็อยู่ที่ต้นมะขามมาโดยตลอดร่างของแกนที่อยู่กับหมอจึงเหมือนคนไม่รู้เนือ้อรู้ตัว จนกระทั่งได้รับบุญกุศลที่ครอบครัวทำไปให้แกนจึงได้มาเข้าฝันนิดเมื่อครอบครัวทาพิธีขอขอมาเจ้าที่แล้วจิตของแกนก็กลับเข้าร่างได้อีกครั้งนิดไม่รู้ว่าสิ่งที่คิดจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคงต้องรอถามน้องแกนเมื่อหายดีเป็นปกติแต่ยังไงก็ตามครอบครัวของนิดก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง ซึ่งนิดก็ดีใจมากแล้วคราวนี้ครอบครัวของนิดจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเสียที สมภัสสยอง